เทศอบรมพระวันที่21สิงหาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ดีบานกลางเทศความจริงกับความจำต่างกันมากอย่าฟังแต่ข่าวท่านบรรลุธรรมจงทำงานจิตตะภาวนาของตนให้เต็มกำลัง ข่าวเราจะปรากฏขึ้นมาเองอย่าตื่นความจำหลงความจำมาว่าเป็นสมบัติของตนแต่ให้รู้ตามด้วยภาคปฏิบัติสิ่งที่จะนำมาให้เกิดความสุขความเปไปเพราะไม่ใช่ฐานะของใจที่จะรับสิงนั้นมาเป็นความสุขให้แก่ตนได้นอกจากเรื่องของนา ม, มาทําให้แก่ความดีงาม เจะเอาอารมณ์นั้นมาเป็นความสุขอารมณ์นั้นกับอารมณ์เต็มไปด้วยความห่วงใ่ความหึว ง, วงทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในนั้นหมดซึ่งเป็นตัวไปยต่อจิตใจทั้งนั้นนั่นเมือง<ๆ>ก็ดีศา ส, สนาก็ดีให้มันเจริญเจริญอะไรถ้ามันมีธรรมเขาเคลือบแสงแล้วจะหาความเจริญไม่ได้มันมีธรรเข้าไปมากน้อย ความสงบสุความร่มเย็นมั น, นก็มีเพราะทำนี่เป็นการเสียสละมองดูท่านดูเราสม่ำเสมอเห็นมาเป็นคนด้วยกั น, นเทียบเทียงกันได้ทุกสัตทุกส่วนมีความสมอภาคกันด้วยความเป็นมนุษย์นี่เราเห็นใจกันคนเรามีความเมตตาสางสารซึ่งกันกันได้ถ้ามีธรรมถ้ามีธรรมททอย่างเดียวนั้น อะไรก็ไม่ดีเท่าเราทั้งที่เรามันเร็วกว่าอะไ ร, ระเสียสันเมาอารมณ์จกของว่าดีท่านั้นเองเหมือนเรทำนู่นเป็นของสำป็นมากทำมีอยู่ในผู้ใดบ้านใดเมืองใดสังคมใดเย็นทักที่ไหนเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายให้พวกเราที่นั้นหาทำไม่ได้ มีแต่โรคลว้วนๆมันก็ต้องมีกองไฟล้วน ๆ, ๆเผากันพระพุทธเจ้า น, นี้มาปราบทั้งหลายแมนว่าการปัจจุบันนี้แม้แต่ดึกดำบันกาลในมาพระพุทธเจ้าไม่เคยชมเชยทุ่งกิเลสตัณหาอาจวะความโลภความปวดความหล ง, ล ง, ลงลว่าเป็นของดี มีมากมีน้อยมันก็เป็นสิ่งที่จะยืดแยกขอควรบีบบังคับจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยกันหมดนี่ไมนมีอะไรเป็นของดีใครจะไปฉลาดแหลมผมยิ่งก่อความทุกข์หเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์องค์ไหนมาจัด ก, ก็ตัดแบบเดียวกัน ทำหนิสิ่งที่ควรตำหนิชมสิ่งที่ควรชมให้รักสิ่งที่ควรให้รักบำเพ็ญสิ่งที่ควรบําเพ็ญเพื่อจะเอาความสุขความสบายความเหมาะสมใส่หัวใจของตนเองให้อยู่กับโลกไปได้โดยลําดับแม้จะไม่สิ้นสิ้นเหล่านี้ภายในใ จ, จิตใจโดยสิ้นเชิงก็ระ ง, งับดับกันได้พออยู่พอเป็นพอไปอยินระ ง, งับดับไปหมดไม่มีสิ่นใดเลหลือภายในใไปเลยแล้ว ก็ให้คือให้นา ม, มาพูนั้นประเสริฐนะเขาไม่มีอะไรกวนใจกิมงกวนใจคืออะไรถ้าไม่ใช่กิเจสมีแต่กิเลสทั้งนั้นประเภทต่างๆแต่กิ่งแตกแขนงออกมาจากรากเงาเข้ามุงขื่อวิชาตันหานนั้นออกมาก็แตกแขนงออกไปไเรื่อยๆแสดงกิยาอาการอะไรออกมาล้วนนี้ทั้งแต่เป็นสิ่งที่ได้รับการ มังค่าบรรชาออกมาจากทีเหล็กแต่ละประเภทต่อเพไม่ต้องหมุนเย็นในกิยาท่าทา ง, งเป็นความเดือดร้อนทำนั้นงานที่เหล็กมันเดือดร้อนส่วนทำรรแสดงออกมาอยู่ภายในก็เย็นแสดงออกมาภายนอกเป็นธรรมเรื่องสอแสดงออกมาก็เย็นเย็นหูเย็นตาเพราะผู้นั้นมีธรรมเป็นเรื่องเย็นใจ ถึงทำเท่านั้นเป็นสำคัญที่จะให้ความไว้วางใจได้ทั้งปัจจุบันทั้งทางโลกทั้งทางธรรมและอนาคตนอกเนนกอธรรมคือความจริงซึ่งเป็นธรรมชาติที่โลกไม่สูญนี้ไปไม่ได้ธรรมนี้มีอยู่ดั้งเดิมมีมาแต่ไหนแต่ใดแต่คนมีความฉลาดบางโง่บ้างขุ่นขุ่ต่ำต่ำรุ่มรันดอจึงทำจึงกากดถึงข้างถึงข่าว การทำเกิดหรือศาสนาเกิดพระพุทธเจ้าเกิดนั่นคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมได้แก่การค้นคว้าเจอความจริงขึ้นมาทำของจริงขึง้นมาแล้วนามาสอนโลกอตอไปเร่อทยทุกเาลงไปทุกขาลงไปเพราะอานาจของชีวิตัหาภาวะเที่ต่างๆมันมุนแรงมน้องหหงิดท้งขับ เรืมองสิ่งเรื่องธรรมอะไเมื่อลืมองสิ่งืมทําเมื่อไรแล้วนิ่เรียกข้ตักตัวออกตามความต้องการของมันเหตุการที่แสดงออกสมงสาโลกจึงหาควาร่วมเยนเป็นสุดไม่ได้มีแต่เรื่องก่อความเ ด, ดือดร้อนรุ่นวายให้แก่กันมันบุกคุ้นข้างโลกเป็นอย่างนั้นย่นเข้ามาถึงตัวของเราเองขนาดใดที่จิตใจของเราดี มีความสงบร่มเย็นมีความเยกคาภายใจิตใจขณะนั้นเวลานั้นเราอยู่ที่ไหนก็เย็นสบายเพราะทําพุ่มครองใจขณะใดที่มีความทั้งเผลอหรือประกอบกิจการงานอื่นๆซึ่งเป็นเครื่องรบกว น, นด้านจิน่ดับภาวนาหรืเป็นสุ่นทำลายาาที่ดับภานาที่เสียไปวันแล้วน้อยด้วยการก่อสร้างสิ่งนั้นสิงนี้เป็นความกังวลนั่นแหละจิตเริ่มขอตัวขึ้นมาด้วยความไม่ดี เลือร้อนวุ่นวายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงห้ามทรงแนะทั้งห้ามทั้งแนะกิจการงานใดที่เป็น่าตผูกต่อพิตารณาให้พึงระมัดระวังเช่นผูกผึหัดอบรมพาวนายังไม่มีหลักมีเกณฑ์อย่าพึงไปอยู่สถานที่เห็นวัด ที่ทำกำลังซ่อมแซมที่กำลังก่อสร้างอย่าชอบทำนั่นสร้างนั้นสร้างนี้อย่าไปอยู่ในสถานที่ที่ผู้คนจอแจอ้งหาอยู่ที่เปี่ยวๆหาอยู่ที่สงัดร่มเย็นถือหน้าที่คือการจิตตภารณาเป็นงานอันสาระสำคัญประจำชีวิตประจำอิรยาบทของตนตลอดไป ทรงสอนอย่างนั้นปนัจจุบันข้าพุทธกาลจึงตักตวงเอาแต่มรรคผลนิพพานอยู่ตลอดทั่วแดนพุทธจักรที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาและพระสาวทั่วประกาศศาสนาไปถึงสถานที่ใดปร้าจนมีความเชื่อคอนใส ในระดับรับฟังรู้ว่าทำสั่งสอนของขพระพุทธเจ้าและภาษาโวติคี้แจงออกด้วหลักความจริงเห็นเหตุเห็นผลหูแจ้งตาสว่างนอกจากนั้นยังในบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจํานวนมากมายพือเอาจริงออกจากพูดความเชื่อก็คือใจความไม่เชื่อก็คือใจความจริงจังในทางดีก็คือใจ ทำมไม่จริงจังในทางดีแต่ไปจริงจังในทางชั่วก็คือใจเพราะฉะนั้นผลจึงต้องแสดงออกมาอย่างจริงจังเช่นเดียวกันเป็นผลเป็นทุกข์ก็ทุกข์จริงๆให้เจ้าของรู้อยู่เสมอภายในจิตใ จ, จเป็นอย่างน้อยนอกของน้องก็จะโดยมาทางกิริยาเป็นทุข ก, ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนภายในเจ้าของนอกจากนั้นก็แสดงให้คนอื่นได้เห็นในกิริอากับกิริยาแห่ง ความร่มเย็นของจิตใจซึ่งมีอยู่ในตนนี่เราเป็นนักปฏิบัติสงสนใจในหน้าที่การงานของตนที่ทำอยู่นี้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าอ่อนข้อย่อย่อนอ่อนแอในหน้าที่ของตนซึ่งเวลานี้เรียกว่าเราเข้าสนามรบรบ ก, กับเอะกับอะรก็รบ ก, กับค่าสุขของเรานั่นแหละ ค่าศืของเรามันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนค่าศืกก็คือกิเลสประเภทต่างๆมีอยู่ภายในจิตใจเพราะนั้นจึงต้องสร้างสติปรรัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาให้เต็มเมเ็ดเต็มหน่วยรงเสริมทำขึ้นมาภายในจิตใจให้มากมูลโดยลำนับเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศุดทั้งหลายเหล่านี้ออกมาจากใจทีเล็กและน้อยจนกระทั่งไม่หมีสิ่งใดเหลือาภายจในจิตใจ นั่นเป็นเอกกราชอัตาเฮกิกังสซย์อยู่ถือชนะตนได้นั้นแหล ะ, ะเป็นรศธรรมะอย่างนั้นชนะตนก็คือชนะกิเลสท่าศึกที่มันมีอยู่ภายในใจิตใจของตอนเองนี่จะเปนชนะที่ไหนท่าศึกอยู่ที่นี่แค่กับแพ้มันหลุดลุยอยู่ที่นี่ตลอดมาอันนี้เราจะมาให้แผ้ตัางน้าตั้งตารบ เป็นกับตายก็สู้มันพอให้แตชายชนะภายในจิตใจเรียนมาตจักก็เรียนที่จิตนี่เองความหมุนเวียนของจิตจิตมันเกิดมันตายมันศูญมันหรือไม่ศูญมันไปพบใดพบน้อยพบใหญ่เป็นรุ่มโดนดอนถนนซ้ำพระเวสีโวกสะเล้งฮาร์ดเกิดก็มีแล้วพบน้อยพบใหญ่ก็มีหลายขั้นหลายฝูนันบไม่ถ้วน ฐานที่ศัตว์จะเกิดกำเนิดที่สัตจะอุบัติมีอยู่มากมายกลายกองนี่เป็นความจริงจะจะเกิดในสถานที่ใดพบแต่ก็ตา่างไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้ที่มีอวิชาเป็นเชื้อและวิบากกรรมดีชั่วเป็นเรื่องติดตามอยู่ภายใน จ, ใจิตใจสัตร์โลกจึงไม่ได้เกิดตามความต้องการของตนทุกทัวศัต ไม่มีแโลกรายใดที่จะไปเกิดเราได้ตามความต้องการของตนต้องตกอยู่ในอำนาจของกรรมมีอวิชชาเป็นพื้นเป็นเชื้อที่จะพาให้เกิดหนึ่งมีวิบากกรรมเป็นสิ่งที่จะพาให้สวยคือวิบากกรรมดีชั่วเป็นสิ่งที่จะพาให้ไปเกิดในกำเนิดนั้นๆแล้วได้สวยสุขสวยทุกทรามหน้าถหา่กรรมดีชั่วของตน มีใครจะมีอำนาจพอที่จะคงคับรรดาทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วได้เกิดโดยอัปภังษ์ตเองได้ครับไปได้การถูกจองจําไปพราะอำนาแห่งกรรมมันผิดกันอะไรกับผู้ต้องหาที่ถูกจองจำหรือนักโทษที่ถูกคุมขังในเรือนจำํำวะนันเป็นผิดกันอะไรเราต้องคิดสิ่งเหล่านี้เข้ามาเพื่อเทียง ทีื่อจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นโทษเห็นคุณกันอย่างจริงจังแล้วจะได้ทุ่มความภาคเพียรลงให้เต็มเม้เต็มวันนี้อยู่มากการเกิดตายมันมีอยู่ที่จิตเรียนลงไปที่นี่ปฏิบัติลงไปที่นี่จะไม่รู้ที่ไหนจะรู้ที่ตรงนี้เพราะตัวนี้เป็นตัวเหตุแท้ เรื่องการพาให้เกิดให้ตายอยู่ไปยู่ไม่ถอยแน้จะจําได้ไม่ได้ในภพชาติทั้งตนก็ตามสิ่งที่ยืนยันให้เห็นชัดชัดโดยทางจิตตะภาวนานี้มันอยู่ที่จิตเรียนเข้าไปปฏิบัติเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งรู้ได้ชัดชัดโดยลําดับสาเหตุที่จะพาให้เกิดเกิดภพบใดภพสูงภพต่ํามันก็บอกผิดภายในจิต มีความละเอียดละออนเพียงไรจะปรากฏในพบละเอียดก็ทราบรอยู่ในจิตนี่เลยพระพุทธเจ้าถันนาเรื่องความเกิดความตายในวัฏฏสงสารมาสั่งสอนสารโลกท่านทรงเรียนมาจากนี่หรือปฏิบัติจนรู้ในพระไทยเขาโงได้เป็นเม็ดเต็มหน่วยแล้วจึงนํามาสอนโลกเพราะฉะนั้นธรรมะจึดเป็นสวดขาโตพระกุฏตาธรรมโอษฐ ไว้แล้วโดยชอบทำไม่มีอะไรผิดเพียนไปแม้แต่นอ้อยนอนสอนตามหลักการกินเราเป็นนักเกิดแก่จิตใด้วยกันทุกรายทำไมจึงไม่ทราบเรื่องของตัวเองก็เพราะสิ่งที่มืด น, นิดติดตามมันมีอยู่ภายใ น, ในใ จ, จิตใจมันปิดไว้ไม่รู้รเพราะฉะนั้นจึงเปิดออกด้วยความภาคเพียนที่ตะดพอน ม, มามันรู้จริงเห็จิงจับนักโทษตัวพาให้เกิดให้ตาย ให้ไน้การละเอียดนักโทษมันอยู่ในจิตนี่เลยอวิชชาปจิยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปจิยาวิญญาณนั่นั่ท่านบอกนอวิชชาเป็นเชื้ออันสำคัญพาให้ก่อกำเนิดเกิดในภน้อยวกใหญ่วิบา ก, กรรมมันก็อยู่ในวัตถุบนสามนั่นเองไปที่ไหนกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเนี่ยท่านก็บอกอคำว่า ก, กรรมนี่ กรรมดีกรรมชั่วทำกรรมแล้วผลของกรรมย่อมเกิดขึ้นแล้วกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมคำว่ า, ากิเลสหมายถึงอะไรถ้าไมหมายถึงอวิชชาเป็นรากฐานสำคัญพาให้จัดว์ทำกรรมบางครั้งให้สัต์ทำกำรรมเมื่อทำกรรมแล้วความวิบากก็ถูกต้องได้รับผลของกรรมแลว้ววกเยนเปลี่ยนแปลงกันไปใหม่ ท่านเดียว่าวัดตะวนสามวนไปวนมาเหมือนกับมดเดินไต่ขอบด้งนั่นเองไต่ไปตายไปแล้วก็ไปถึงที่เก่าก็ไม่รู้ว่าเป็นที่เก่าที่ไหนไต่วนไปอยู่นะ่ะมดไต่ขอบด้งเป็นอย่างนั้นอันนี้เราไตา่ขอบแห่งวัฏฏะจักมันวัฏตะจับก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ทราบเคยเกิดมากกี่พวกกี่ชาติก็ไม่ทราบถ้าไม่เรียนให้เข้าถึงหลักความจริงที่ควรจะทา้า ได้หนักเบามากน้อยเป็นยังไงก็เป็นสร้างไม่ได้เพียงเราไปเรียนเอาเฉยๆตามตำหนักตำราจบพระไกรปิฎกมาก็แบบความรสงสัยมาเต็มพุงนั่นแม่ได้แบบความรู้แจ้งยังขีดมาถ้าไม่ใช่ประพฤชต่ทางทูพืชปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยกา ร, รต่อพืชปฏิบัติสาวกทั้งหลายรู้ด้วยการปฏิบัติไม่ใช่รู้ด้วยการเรียนจดจํำเฉยๆเพราะความจํากับความจริงมันติดกันคนละโลกมันไม่ใช่โลกเดียวกัน ความจำมันมีตลอกเราต้องนั่งนี่นนเราลองพูดขึ้นโดยที่ว่าเมืองนั้นบ้านนั้นอย่างนี้นะ mm hmm. เห็นอเมื่ออังกฤษอย่างนี้ผู้ที่ไม่เคยเคยเห็นเมืองอังกฤษมีกี่ร้อยกี่พันคนก็ตามมันจะวาดภาพเมืองอังกฤษขึ้นมาทันึ ง, งนั่นความสําคัญมั่ไหมายความรุนเราแต่เวลาไปเห็นเมืองอังกฤษก็จริงๆแล้วสภาพเป็นยังไงไงความวาดภาพขึ้น จำได้หมายรู้อะไรเหล่านั้นมันก็ล้มไปหมดเหลือแต่ความจริงที่เราไปเห็นด้วยตาของเรานี่ท่านเรียกว่าความจริงเมื่อความจริงเข้าถึงไหนแล้วความปลอมมันต้องล้มไปหมดเช่นความว่าถภาพอะไรนั่นคือความปลอมที่เราเรียนมานี่มันปลองมันยังไม่จิตเมื่อข้อปฏิบัติถึงความจริงไปมากน้อยความจําทั้งหลายนั้นมันก็ล่มละลายไปล้มละลายไปนี่แต่ความจริงเด่นภายในจิตนี่เรียนจิตก็เรียนอย่างนี้ จิตมันเหี่ยวยงไปถึงไหนรอบโลกธาตุมันมีที่สิ้นสุดมันมีขอบเขตที่ไหนแม่น้ำ ห, ดหาดสมุทยังมีขอบ ม, มีฝั่งมีแดนเรื่องของจิตมันมีขอบมีเขตที่ไหนมันไปได้รอบเขตจักรวาลทั่วโลกทั่วสองสามเพราะฉะนั้นจึงประมวนมาด้วยศินสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรเหมนมันก็นเข้าถึงตัวจริงของจิตแท้คืออะไร ที่เหลือปัญหาอาสวะมันพอกผูอนู่ภายในใจถ้าพาเกิดพาตายแก้มันออกด้วยความเปียนของตนเแล้วจิตก็ค่อยเบิกกว้างไปความรู้ก็สว่างไสว ย, ยอมรู้ที่ไปที่มาของตัวเองเพราะสาเหตุนั้นๆเนี่ยมันรู้แล้วอนี่ยังมีชื่ออย่างพบอยู่มากน้อยรู้อยู่ภายในใจเชื่ออย่างพบผูกมาที่จะพาให้เกิดอีกนั่นแหละมันมียังมีในจิตแม้จะยัง จะไม่เกิดในภูมิต่ำๆเหมือนอย่างตัดทั้งหลายเกิดกันก็นตามก็ทราบอยู่ว่ามันจะเกิดเกิดภูมิสูงมันก็จะเกิดรูด้เพราะชืออันนี้มีความละเอียดรดดูระดัะแบบจนกระทั่งตัดออกจากจิตใจหมดไม่มีจินไาเหลือเลยแล้วขาดสะบั้นออกจากกันยิดไม่มือเงื่อนไม่มีเงื่อนต่อไม่มีการสัมผัสสัมพันธ์ไม่มีการ เกี่ยวโยงกับสิ่งใดโยเป็นเอกเทศของตนโดยหลักธรรมาชาติแม้ที่จุดรูปเวทนาสัญญาทังขานวิญญาณที่รับผิดชอบอยู่ภายในตัวนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวโยงกันกับจิตจิตไม่ได้ชุมซาบสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงเข้าไปถึงจิตไม่รับความกดดันกดดนจิตเป็นจิตคือผู้รู้เป็นผู้รู้ขันเป็นขันรูปเวทนาสัญญาสั้งขานวิญญาณแต่และอย่างอย่างเป็นสิ่งนั้นโดยหลักธรรมาชาติอ ข, าตามมของเขาตามสมมูิของเขา ตัดตัดข้ามาจากหูเสียง ก, นนกลิ่นน ố ก้องเครื่องสัมผัสวัตถุอะไรกมดแล้วแต่อารมณ์อะไรก็ตามพิจนารณาด้วยปัญญาตัดขาดเข้ามาขาดเข้ามาปล่อยวางเข้ามาเป็นลำดับในขันมันจะของกองวูมีตั้งแต่ดินธาตุดินน้านลมไปมาเกิดสันเป็นศัตร์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายหลงกัน ยม่งกันไปหมดหิวหนังบางๆแล้วนั้นปิดตามันก็บริวตตาฟ้าของผมมืดบอดมองไม่เห็นปัญญาแทงทะลุเข้าไปมันถึงความจริงของมันความจริงขั้นหนึ่งก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกความจริงขั้นที่สองเข้าไปก็เป็นศรรรรัพทว่าธาตุเนี่ยมันศัพทว่าธาตุแล้วเราจะไปถือได้อย่างไรไปรักประชังมันได้อย่างไงมันศรรรรัพทว่าธาตุนี่ พอถึงขั้นนี้แล้วมันชัดเจนมันก็ปล่อยทิ้งม่นถึงพ่อเวทนาสาญญาถึงขาวินย า, ามก็เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิตสต่มันไม่ใช่จิตมันเป็นอาการเพราะฉะนั้นจึ ง, งระงับดับกันได้จึงถอนตัวได้ไม่ยึดสิ่อย่างนี้ด้วยปัญญาของตนเองอการตัดทบตัดชาติต้องตัดความเยือย่อยต้องตัดความผูกพัน ของตัวเองของติดเองด้วยสติปัญญาอันแหลมคมจนกระทั่งตัดขาดวิชามีอยู่ที่ใจทางทลายอวิชาครับภายในดวงใจจนแหลกละเอียดไม่มีจิน่งใดเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่ใจเหล่านั้นจะเอาอะไรมาเกิดเชื่อคือวิชานั้ทําลายแล้วถ้าเป็นข่าก็เหมือนข้าสุกโหงให้สุกนึ่งให้สุกแล้วจะไปปลูกที่ไหน มันจะเกิดเหรอมันควรจะ ก, การรับทานเท่านั้นไม่ควรจะ ก, การเกิดอีกได้แล้วจิตนี้ก็ควรจะความสวยเป็นนิมิตติสุขความเลิศสุดหมดจบเท่านั้นไม่ควรแก่การเกิดอีกต่อไปก็รู้อยู่ภายในจิตทางนี้ท่านพูดไว้ในอธิตตาปรยายสูตรก็ดกีอนัตตาอนสูตรก็ดีในธรรมจกกักรปลระสูตรก็ดี นัตถิดานิปุนัพโภตั้งแต่บัดนี้ต่อไปพบของเราไม่มีอีกแล้วยะมันติมาชาติท่านนี้เป็นชาติสุดท้ายของเราพระพุทธเจ้าสแสดงมาทางฝ่ายสงสาวโรกทั่วไปหรือผู้ที่รู้จริงเห็นินหรือท่นออทานสแสดงไว้ในอริยบ อณาตตะอันณาสุถาม่าอ้โสิตั้งพระมจรัจดาดีอย่างงานของคือการรื้อถอนยี่เลี่ยทุกประเภทได้สิ้นสุดลงแล้วพราะงานนี้เป็นงานใหญ่โตที่สุดไม่มีงานใดที่จะใหญ่โตละเอียดละออต้องทุ่มเทสติปัญญาลงอย่างเต็มที่กําลังวังชาชีวิตจิตใจต้องทุ่มเทลงเพื่องานอันนี้งานนี้ได้สําเร็จสิ้นลงไปแล้วก็คือว่า ได้ข้างกิเลสนากไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลือแล้วผวุตตังรธรรมะจารียังกตังการณียังกิจที่ควรทำคือกิจที่ควรทำได้เสรการละก็ได้ละเรียบร้อยแล้วการบาเพ็ญก็บําเพ็ญให้เต็มที่ถึงขั้นสมบูรณ์แล้วนนับพลังอิสตญาติยิ่งอื่นที่จะต้องทําให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอิชานาติระวาง พอรู้ชอบแล้วนะจะนั้นเกิดถึงวิมุตตนมิวิมุตจะมีติญาณางโห้ติขนาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วยานความที่แจ้งชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั่น น, น, น, น, นีหลังงานของพระในครั้งพุทธกาลท่านสำเร็จงานท่านทำงานท่านสาเร็จท่านทำงานท่านเสร็จ ท่านเสร็จอย่างนี้งานของท่านคืองานที่จะนาภาวนากรรมฐานเริ่มตั้งแต่งานชิ้นแรกสองสามชิ้นหะสี่ห้าชิ้นแรกขึ้นไปหางานจำนวนมากเกคือเกษาลมานขาตันตาตัะโจ น, ะนั่นี่นะงานแต่และชิ้นแต่และชิ้นแต่และอย่า ง, างให้เราไปทำไปทำยังไงเบื้องต้นเอาบริกรรมพานา ในบทใดก็ตามแล้วพิจารณาเข้าไปตามความกินของมันเจตหาเป็นยังไงโลมาเป็นยังไงนักขาตันตะโจเป็นยังไงที่เกิดที่อยู่เป็นสิ่งที่สะอาดไหมตัวมันเองสะอาดไหมสถานที่อยู่ของมันที่เกิดของมันสะอาดไหมดูเข้าไปยิ่งประตโจหมาึงวันหนังหุ้มกระดูกอยู่นี่เราไม่มองเห็นกระดูกเห็นแต่คิวหนังก็หลงกัน โดยทะลุเข้าไปทั้งข้างนอกหนังทั้งข้างในหนังทั้งในเข้าไปอีกโดยลหดับตำดาบเห็นตามความจริง <market> น <market rings> ี่เรียกว่าทำงานคือทำงานพิจารณาเริ่มแรกจากทำงานบริกรรมเหมือนเขาบอกสับยาอะไรทับๆๆๆเหมือนเขายำลาดนั่นฮอ่มพุทโธพุทโธไปอีกเาเกสาโมานะไมาเพื่อจะตั้งพลังจิตรวมพลังจิตเข้ามาสู่จุดเดียว ให้มีกําลังอะไรถ้าไม่รวมไม่มีกําลังเส้นยากไม่น้อยก็ตามเมื่อรวมเข้ามาหลายเส้นด้วยกันดึงไม่ขาดดูสิตดัดก็ต้องหลายหงษถึงจะขาดแต่เพียงเส้นเดียวดึงขาดตั้งเท่านั้นีพลังของกิตถาลายบาไปสู่ที่ต่างหากําลังไม่ได้ต้องรวมพลังเข้ามา ด้วยคำบริกรรมภาวนาะเมื่อจิตมีพลังแล้วก็เป็นความสมงบเย็นใจอนี้นพิจารณาทางด้านปัญญาท่นี้เมื่อมีพลังทางจิตจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบแล้วจะพาทําการทํางา น, ท, งานทางด้านวิปัสสนาคือเพื่อความรู้แจ้งจริงๆในทางปัญญามันก็ทํางานให้จนเข้าใจไปเดิม น, นะเจษารมานะขานตาแต่โจเพียงเท่านั้นก็าตามมันจะกระจายไปหมดจนกระทั่งอาการสาที่สองซึ่งมีอยู่ในตัวนี้ รอบไปหมดนอกจากนั้นยังทะลุปูโผงไปหมดทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกกถานี่เป็นแบบเดียวกันหมดนะนี่หลังานของพระทั้งสงองนี่พุทานี่เป็นขั้นปัญญาคลี่คลายออกดูกันนั้นก็แยกเข้าไปละเอียดดังที่พูดกินนี่เวทนาสัญญาสังขาอิน ญ, ญาณมันละเอียดเมื่อถึงปัญญาสติปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมแล้วมันก็ตามกันทน โดยลำดัจนมาทั่งมันละกันได้เด็ดค่ะรวมทั้งภายในจิต ด, ด้วยมื่อละเข้าไปถึงจิตแล้วมันทั้งหมดทางกิเป็นละตามข่ากิเลสตามข่าเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตแล้วมันก็หมดที่ข่ากิเลสก็หมดไปเองถ้าข่าอยู่เพียงแบบนี้ไม่หมดอข่ากิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายยังไม่หมดต้องข่าทางใจอีกข้า กิเลสที่มันติดยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามเท่านั้นก็ยังไม่หมดต้องฆ่ากิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตตัวอันเป็นตัวการนักขันนั่นอีกมันถึงจะหมดนะมาถึงขนาดนั้นแล้วข้า ก, ก็เลยบอกวาสิตามคำมัใจอย่างเสร็จแล้วงานที่นี่เนียเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ ว, ลวนิรงานของข้าเราให้พากันฟังและฝังไว้ภายในจิตใจอย่างลึกยาเด วันเลทะเละหลายแต่หางานอื่นซึ่งไม่ใช่งานของพระมาถังจะหาที่เล็ดตัวใดหีกดลอยไปนัไ ด, นนได้นอกจากงานกิจารวรณมาดังที่อธิบายให้ฟังนี้แล้วไม่มีงานอื่นใดกระเสริฐเลิศยิ่งกว่างานนี้แม้จะยากก็ยากก็เถอะแต่ยากเพื่อคุณภาพมันสูงส่งหรือสูงสุดตั้งหน้าต่งตางๆที่จะ อย่าลดละท้อถอยไปที่ไหนก็ตามการอยู่กับครูวาการเป็นของไม่แน่นอนเพราะเราอยู่ในทําการแห่งโลกอนิจจ์เป็นของเที่ยงเนื่อไหลอยู่ด้วยกันวันนี้วันหน้าพัฒนาจากกันเดือนนี้เดือนหน้าพัฒนาจากกันไม่ท่านก็เราต้องมีความพัฒนาจากไปลักคติเครื่องเตือนใจที่ได้รับไว้แล้วภายใจิตใจอย่ากฟังลึกนี้ไม่ให้เคกินขั้นไปไหนจริงจังกับ อัจกับทรรมกับวีไหนมีความจริงจังยาเป็นคนหลอกแหละทะเลทรายหากดหาเกณฑ์หาหลักฐานไม่ได้ต้องเป็นคนจริงงานจะหนานแน่นขนาดไหนหนักขนาดไหนยกขึ้นทางนั้นความจริงเอาความจริงจังเข้าไปว่าอนี้แล้วศรัทธาความเชื่อต่อความพ้นทุกข์ความตรัดสรู้ของพระพุทธเจ้า ความบรลุธรรมของเราความพ้นทุกข์ธรรมของเราท่าความเพียรของเราเองเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นกำลังศรัทธานาีได <c oughs> ้ปัอญาขันติมาเองสมาธิปัญญาก็ค่อยมาเองมหม่งไม่พ้นจากนี้แต่นะอย่าลืมงานของเราเอาให้เห็นเฮ้ยยินแต่นพูดยิ้นตั้งแต่ข่าว พระอรหันต์องค์นั้นบรรลุอยู่ที่นั่นพาะอรหันต์งค์นั้นบรรลุอยู่ที่นั่นในท่านผูจัดการองค์นั้นสําเร็จอยู่ที่นั่นบรรดุอยู่ที่นี่เอาตั้งแต่ข่าวมาท่องมาบน่นมาจําตาเปรียบมันก็ไม่ใช่เรื่องทีเดียวมันนอนกลนครอบครอบสบายหัวเลาะฟังนนอยู่มันมันไม่จะเทือนขนมันนี่นะถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบตัติปริยัติเือเราเรียนเจสามานะะาขารันตาตะโจนี้เรียกว่าเรียน แต่ จ, จะว่าริยัติองุปชา จ, จะบอกอันนี้ปฏิบัติที่นี้เอาไปดําเนินงานพิจารณาปฏิเวทะหรือปฏิเวสคือความรู้แจ้งแทงทะลุจะเกิดขึ้นจากผาาปฏิบัตินี้จากนี้ไปไม่ได้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะมีอำนาจราชศักดิ์มาบังคับจิตใจที่ดําเนินไปโดยชอบธรรมไม่ให้บรรลุมรรผลนิพพานเป็นไปไม่ได้ เขมีทุกข์กับสมูไทยเท่านั้นเป็นเครื่องปิดกั้นมรรคผลนิพพานการสถานที่ไม่มีอำนาจที่จะมาปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้มีแต่กิเลสชมูไทยนับทุกข์นี้เท่านั้นปิดกัน้นเพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียนขึ้นไปเพื่อบุกเบิกกิเลสประเภทเหล่านีน้ซึ่งมันขวางทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ให้เยียรโลงไปโดยลำหน่ำดับ ความพรุรุโปร่งถึงมรรคุณิพานจะไม่ถึงไหนจะไปจะไม่ลอกเหนือไปจากติตดวงนี้จะเป็นพุรุแจ้งเห็นจริงเป็นภูละผู้ถอนผู้หยาบย่ําทําลายที่เด็ศนาจะว่าพูถึงความประเสริฐเลิศโลกก็เลิศที่จิตนี้รู้ที่ตรงนี้ขอให้ทํางานให้สําเร็จเรื่องผลจะเป็นขึ้นมาโดยลำดับนะครับงานท่านปัญญาอธิบาย